เด็กๆทั้งหญิงและชายนะก็จะมาบวชนะทั้งบวชเนรทั้งบวชในคัมมะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาศึกษาชีวิตอีกแบบหนึ่งจะว่าเป็นการเรียนก็ได้นะแต่เป็นการเรียนโดยเน้นการปฏิบัติมากกว่า เรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่เราเรียนอยู่แต่ในห้องเรียนอ่านหนังสืออ่านตำรับตำรานะแล้วก็ใช้ความคิดท่องจำแต่ว่ามาเรียนที่นี่ในช่วงสามอาทิตย์นะมันเป็นการเรียนผ่านการปฏิบัตินะเริ่มตั้งแต่การ อ, อยู่ง่ายกินง่าย การรักษาศีล น, นะอย่างเน้นี้ก็อย่างน้อยก็ศีลแปดนะในคัมมะหรือว่าพรหมจรรีก็เหมือนกันนะการที่มาเรียนแบบนี้เรียกว่าเปลี่ยนเพศนะเปลี่ยนเพศไม่ได้เปลี่ยนแบบผ่าตัดเพศนะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนสถานะนี่ก็เป็นเหตุการณ์สาคัญอย่างหนึ่ง ของพวกเราเลยทีเดียวก็ว่าได้หลวงพ่อนี่เคยบวชเนรเป็นการนะตอนอายุสิบขวบบวชก็เพราะว่าคุณปู่นะจะมีการเคลื่อนย้ายศพนะคนจีนเนี่ยเขาไม่เผาเนกะ็จะเก็บศพเอาไว้แล้วก็พอมีที่มีทางก็จะย้ายไปอยู่หวงซุยนะ คุณปูนี่แต่ก่อนศพนี่เก็บไว้ที่วัดดอนนะกรุงเทพตอนหลังก็หาที่ได้นะแถวศรีราชานะเป็นห่วงซุยขนาดใหญ่ทั้งภูเขาเลยนะก็ย้ายศพนะไปอยู่ห่วงซุยตามประเพณีก็เลยให้พ่อโยมพ่อก็เลยให้บวชนะกับพี่ชาย สมัยนี้ก็เลือกบวชหน้าไฟก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้มีการใช้ไฟเผานะแต่เป็นการบวชทาบุญให้กับผู้ที่ล่งลับช่วงที่บวชอยู่สามวันนะที่วัดวรจันยาวาสนะแถวถนนตกนี่เป็นช่วงที่มีความสุขมากไม่ใช่สุขเพราะว่าไม่ได้เรียนหนังสือนะแต่สุขเพราะว่าได้พักผ่อนแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะ สมัยนั้นนี่อาหารที่เขาใส่บาดพร้านี่ก็เป็นอาหารที่ดีนะเดี๋ยวนี้ก็ยังดีอยู่แต่ว่าสมัยก่อนน่าจะดีกว่าเพราะว่าอาหารถุงประเภทซื้อตามตลาดไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ก็ทำกันเองที่บ้านถ้าเป็นอาหารถุงเดี๋ยวนี้ก็มันไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่บางทีก็บูดก็เน่าก็มีแต่อาหารที่คนแต่ก่อนนี่ก็ทานี่เขาก็ทำนะจากบ้าน แล้วเขาก็ใส่บาดหน้าบ้านก็เป็นอาหารดีเลยเพราะขนมแล้วก็ได้มีเวลาอ่านหนังสือนะหนังสือนี่ไม่ใช่หนังสือเรียนแต่เป็นหนังสือที่อยากอ่านก็คือนิทานนะนิทานไทยนิทานต่างประเทศก็ได้อ่านเต็มที่นะยืมจากห้องสมุดไปสองสามเล่มก็อ่านเกือบหมดเกือบหมดนะก็เป็นช่วงที่มีความสุข และอ น, นิสงส์อย่างหนึ่งที่ได้มาจากการบวชแม้จะสามวันก็คือกลัวผีน้อยลงนะกลัวผีน้อยลงแล้วก็แต่ก็ยังกลัวผีอยู่นะจกนกระทั่งมาบวชที่นี่แหละอายุยี่บหกก็ยังกลัวผีอยู่นะเวลาขึ้นไปขึ้นไปเวลาทําวัดเสร็จจากสาราไก่เดินขึ้นหอไตรแต่ก่อนนี้พักที่หอไตรอยู่ข้างบนเขา ไม่มีกุตินะต้องพักรวมๆกันขึ้นผ่านป่านี่คนเดียวนี่กลัวเลยนะมาหายกลัวก็ตอนมาบวชปฏิบัติที่นี่เนะี่ยแต่ว่าตอนบวชนเรนก็หายกลัวไปเยอะน ะ, ะพวกเรานี่มาบวชสามอาทิตย์นี่อย่างน้อยก็ความกลัวผีก็น่าจะลดลงนะแล้วก็ที่ได้น่าจะได้มากกว่านั้นคือการอยู่ง่ายกินง่าย นะมาบวชนะไม่ว่าบวชนเรนบวชนเอกธรรมะเนี่ยต้องนึกนะว่าไม่ได้มาบวชเพื่อความสะดวกสบายนะถ้าจะสะดวกสบายก็ต้องอยู่บ้านนะอยู่ที่นี่นี่มันจะไม่สะดวกสบายเท่าไหร่แล้วก็ไม่สะดวกสบายนี่แหละมันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันทำให้เรามีความอดทนเข้มแข็งความยากลำบากนี่มีประโยชน์นะอย่าไปนึก ว, ว่าไม่มีประโยชน์ ประโยชน่ก็มันคือทําให้เรามีภูมิคุ้มกันความทุกข์นะเหมือนกับเวลาเราฉีดวัคซีนนะนะเราฉีดวัคซีนเพื่อที่เราจะได้มีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคและทําไมภูมิคุ้มกันเชื้อโรคถึงจะเกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีนก็เพราะว่าในวัคซีนเนี่ยมันมีเชื้อมันมีเชื้อโลออ่ อ, อนๆนะหรือว่าเชื้อโรคที่แก่ๆ ก, ก็มีนะหรือตายแล้วก็มี พอมันชี้เข้าไปในร่างกายร่างกายเราเจอเชื้อโรคมันก็มีการต่อสู้กันแต่เนื่องจากมันเป็นเชื้ออ่อนมันก็สู้ภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ได้ในการที่ภูมิคุ้มกันร่างกายเราได้สู้กับเชื้อโรคทำให้มันเข้มแข็งแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาเจอเชื้อโรคสดๆดใหม่ๆภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็สู้ได้นะจะมีภูมิคุ้มกันโรคได้ก็ต้องมีเชื้อโรค หรือว่าใส่ชื้อโรคเข้าไปในร่างกายในทะเาะเดียวกันคนเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อความทุกข์ยากได้แล้วก็ต้องเจอความทุกข์ยากก่อนพอ เ, เราเจอความทุกข์ยากเจอความลําบากเราก็จะมีภูมิคุ้มกันนะต่อไปเจอความยากลาบากที่หนักหนาสาหัสนั้นเราก็ยังพอจะส่งทรงตัวไหวนะอันนี้พ่อแม่ก็ต้องเห็นอย่างนี้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะว่า การที่ให้ลูกอยู่แต่เจอแต่ความสะดกสบายเนี่ยมันไม่ได้ดีเสมอไปนะมันทําให้ลูกอ่อนแอได้ง่ายอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจอ่อนแอร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะจิตใจก็อ่อนแอเพราะว่าไม่เจอความยากลาบากแต่การที่ได้ให้ลูกได้มาเจอความยากลาบากเนี่ยนะมันก็ทําให้ลูกเข้มแข็งเข้มแข็งทั้งร่างกายและเข้มแข็งในจิตใจ และความเข้มแข็งนี่แหละที่จะช่วยเขานะอาจจะช่วยได้ตลอดชีวิตเลยเพราะว่าพอเขาเข้มแข็งแล้วเขาก็สามารถที่จ ะ, ะพัฒนาความเข้มแข็งนี้ให้ให้มันยั่งยืนได้ mm hmm. เช่นเขาได้เห็นประโยชน์ของความเพียรเห็นประโยชน์ของความลำบากเขาก็ไม่กลัวความยากลำบากนะพอไปที่ไหนแม้จะลำบากนะ mm hmm. เขาก็ได้ประโยชน์จากความยากลาบากนะ mm hmm. เาก็เข้มแข็ง ต่อไปถึงพ่อแม่ไม่อยู่ถึงพ่อแม่แก่ตัวนะเขาก็สามารถพึ่งตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะาการมาที่นี่เนี่ยนะมันก็จะมีความยากลําบากรอเราอยู่นะเริ่มตั้งแต่การที่กินข้าวได้แค่สองมื้อนะไอ้มื้อที่สามเนี่ยก็อดต้องอดหรือว่าจะอาบน้ำนะก็ไม่ใช่ว่าจะอาบได้สะดวกสบายมันต้องรอคิวเข้าคิวก็ฝึกให้รู้จักรอคอยนะ จะกินข้าวก็ต้องเข้าคิวเข้าแถวก็ต้องฝึกรู้จักการรอคอยเพียงแค่คอยเป็นนี่ช่วยได้เยอะแล้ะเพราะเด็กสมัยนี้คอยไม่เป็นอยากจะได้อะไรก็ชอบอะไรที่มันสําเร็จรูปหรือว่าเสร็จเร็วๆไวได้ไวๆได้เร็วๆอยากได้คะแนนดีก็ใช้วิธีทางลัดเช่นไปลอกข้อไปลอกการบ้านไปตัดแปะมาหรือบางทีก็ไปโก้ไ ป, ไปโกงไปขโมย สมุดการบ้านของเพื่อนมาเสนอครูนะเขียชื่อของเจ้าของแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองแทนก็ได้คะแนนดีโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ไวเร็วแต่ว่าอันนี้มันอันตรายนะเพราะว่าบุญเพาะนิสัยทุจริตคนที่รู้จักคอยเนี่ยนะเขาจะมีความเพียรพยายามอยากได้คะแนนดีๆก็ต้องอดทนต้องอ่านหนังสือนะต้องขยันขันแข็ง นะต้องยอมเหนื่อยยากมันมแม้มไม่ไวแต่ว่าผลสำเร็จที่ได้เนี่ยมันน่าภาภูมิใจแล้วก็จะเป็นความสำเร็จที่ติดตัวมันตลอดก็คือมีความรู้พะฉะนัยเวลาพ่อแม่เห็นลูกลำบากนี่ก็ก็ต้องเข้มแข็งนะต้องมีอุเบกขาเพราะถือว่านะลูกกำลังได้รับบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาในภายภาคหน้าอย่าให้ลูกสบายเกินไป เพราะว่าลูกจะอ่อนแอ